พระพุทธเจ้าส่งสอนเรื่องที่พึ่งทางใจของพวกเราว่ามีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากล่าวถึงว่าพุทธทางธรรมังสังขังสระนังกระฉามิอันนี้เป็น ที่พส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือ ah อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คือที่พึ่งทางใจของพวกเราเหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายร่างกายก็มีที่พึ่งสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือบิดามารดา เวลาที่เราเกิดมาใหม่ๆเรายัางพึ่งตนเองไม่ได้เราก็ต้องมีบิดามารดาเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาให้เราเจริญเติบโตพอเราโตจนสามารถพึ่งตนเองได้แล้วเราก็ใช้ที่พึ่งส่วนที่สองเป็นที่พึ่งคือพึ่งตนเอง เราก็ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้แต่ก่อนที่เราจะโตขึ้นมาเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นที่พึ่งถ้าบิดามารดาไม่เลี้ยงดูเราเราก็คงจะต้องตายไปถ้าไม่มีคนอื่นมาเลี้ยงดู แทนบิดามารดาฉันใดที่พึ่งทางใจของพวกเราก็เป็นแบบเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนบิดามารดาของพวกเราตอนที่เรายังไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรา หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราจึงยังถือว่าเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่เราจึงต้องอาศัยบิดามารดาทางจิตใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราด้วยการอบรมสั่งสอนให้พวกเรารู้จักวิธีพึ่งตนเอง ให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของพวกเราถ้าพวกเราได้รับการเลี้ยงดูด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติ เราก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆลำบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพอเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเราก็สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ตามลำดับพอเราได้เป็นพระอริยบุคคลแล้ว เราก็จะมีที่พึ่งเป็นตัวของเราเป็นที่พึ่งเราก็จะมีอัตาหิอัตนโนนาโถพอเรามีอาตาหิอัตนโนนาโถเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปพระโสดาบันนี่เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพอท่านได้บรรลุแล้วนี่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติไป จนถึงขั้นที่สูงสุดได้คือขั้นพระอาหารหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านมีดวงตาเห็นธรร ม, มท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วถ้าท่านตายไปก่อนที่จะบรรลุ ถ, ถึงขั้นพระอาหารหันต์ท่านไปเกิดที่ไหนท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อได้ ท่านสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้สามารถสั่งสอนตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจของพวกเราตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราได้ เราจึงต้องพึ่งผู้ที่รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้เป็นผู้สั่งผู้สอนเราแล้วเราก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้เราก็จะไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไป นี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาคือเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจด้วยตนเองได้เราจึงต้องอาศัยผู้ที่ดับความทุกข์ทางใจได้แล้วคือพระพุทธเจ้า และพระอาหารตาสาวกทั้งหลายให้เป็นผู้สั่งผู้สอนเมื่อท่านได้สั่งได้สอนแล้วเราก็จะได้รู้จากวิธีดับความทุกข์ทางใจต่างๆถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้น เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างต่อเนื่องดาบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยตนเองเราก็ต้องหมั่นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเรื่อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จากพวกเราไปแล้วแต่ท่านก็ทรงตัดไว้ก่อนจากไปว่าพระธรรมคําสอนของเรานี่แหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนของเรานถึงแม้เราจะไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วสวากขาโตพระกวตาธรรมโมสันดิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะณยิโกปัจจตังเวดิตะโบวินยูหินี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสอนไว้และได้มีการจดจำมีการจารึกไว้ในสื่อต่างๆทุกครั้งที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้อ่านพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็เหมือนกับเราได้ฟังทมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยไม่ต้องลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนว่าเป็ น, เปนคเป็นความจริงหรือไม่นี่ที่เราสวดกันอยู่ตลอดเวลาว่าสวาสขาโตพระกตาธรร ม, มนี้ก็แปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ตัดไว้ชอบแล้วเป็นความจริงร้อยเอร์ซนต์ ไม่มีคำโกหกอยู่ในพระธรรมคำสอนเลยแม้แต่คำเดียวอสอนให้ทำอะไรทำแล้วก็จะได้ผลอย่างที่ทรงได้ตัดไว้สอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นอาการิโกคือไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาความจริงที่พระเจ้าทรงตัดสอนไว้ในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ ก็ยังเป็นความจริงเหมือนกันในสมัยของพวกเรานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนนี้บ่งไปสู่การดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราสมัยพระพุทธการก็ใช้คาสอนอันนี้ดับทุกข์กันบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันสมัยปัจจุบันนี้เราก็ใช้คาสอนอันเดียวกันนี้ มาใช้ดับความทุกข์ทางใจกันเพราะความทุกข์ทางใจก็เกิดจากเหตุอันเดียวกันเหตุที่ทําให้ความทุกข์ทางใจในสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุอันเดียวกันกับเหตุที่ทําให้ทุกข์ทางใจของพวกเราปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันและเหตุที่จะดับความทุกข์ทางใจ ที่ใช้กันในสมัยพระพุทธการก็เป็นเหตุที่จะดับที่จะใช้ในการดับความทุกข์ทางใจในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันเป็นเหตุอันเดียวกันเป็นเป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ทางใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลา เหตุที่ทําให้เราทุกข์ใจในสมัยพระพุทธการก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเหตุที่ทําให้พวกเราทุกข์ใจกันในปัจจุบั น, นเป็นเหตุตัวเดียวกัน<ส>เหตุที่จะดับความทุกข์ทางใจในสมัยพระพุทธการกับเหตุในสมัยนี้ก็เป็นเหตุอันเดียวกันดังนั้นเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาส่ดดงแสดงธรรม ถ้าเรามีพระอาริยสงสาวกเป็นผู้แสดงทำให้พวกเราฟังเราก็จะได้รับคำสอนที่แม่นยำที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการถ้าเราศึกษาเองจากหนังสือเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้ดับความทุกข์ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเวลาที่เราอ่านความเข้าใจของเราอาจจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้แต่ถ้าเรามีผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือพระอริยสงสาวุท่านมาสอนมาบอกเราเราก็จะได้รับ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะท่านได้ดับความทุกข์ใจแล้วท่านรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจแล้วท่านก็จะสามารถสอนเราบอกให้เรารู้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำต่างจากการศึกษาด้วยตนเองการศึกษาด้วยตนเองก็ต้องมีความฉลาดรอบคอบ ถึงจะสามารถที่จะนําเอาคําสอนนี้มาดับความทุกข์ทางใจได้แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ยากง่ายต่างกันถ้าเราต้องปฏิบัติโดยการมีหนังสือเป็นผู้สอนกับการปฏิบัติกับผู้ที่ได้ดุลพันแล้วเนี่ความยากง่ายจะต่างกันเพราะ หนังสือนี่ก็เป็นเหมือนกับตู้ยาเหมือนยาที่มีอยู่ในตู้มียาหลากหลายชนิดด้วยกัน <c oughs> เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ได้เป็นแพทย์เราก็จะไม่รู้ว่ายาชนิดไหนเหมาะกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราในตอนนั้นเราก็ต้องค้นคว้าหา อ่านฉลากยาทุกชนิดที่มีอยู่ในตู้กว่าจะพบยาที่เราต้องการมันก็อาจจะชา้าไปหน่อยก็ต้องทรมานต้องไปทรมานกับความทุกข์จนกว่าเราจะได้ยาที่ถูกชนิดกับโรคของเราแต่ถ้าเรามีแพทย์มีหมอที่ได้ศึกษาได้รักษาคนไข้มาแล้วพอคนไข้มาเล่าอาการ ของการเจ็บป่วยให้ทราบว่าเจ็บท้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แพทยเขาก็จะสามารถหยิบเอายาที่เราที่เราต้องการใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปอ่านฉลากยาทั้งหมดที่มีอยู่ในตู้ว่าเป็นยาชนิดไหนบ้างรักษาโรคชนิดไหนได้บ้างอันนี้ก็คือความยากง่ายระหว่างการมี พระธรรมคาสอนที่จะลึกไว้ในสื่อต่างๆกับการมีผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วมาสั่งมาสอนจะง่ายกว่ากันมากเพราะจะสอนให้ตรงกับประเด็นให้ถูกกับท ร, ระดับธรรมของเราระดับความรู้ของเราเราอยู่ในระดับไหนท่านก็จะ เอาทมในระดับนั้นมาสั่งมาสอนเราไม่เอาทมที่ระดับสูงกว่าหรือต่ำกว่ามาสั่งสอนเพราะไม่เกิดประโยชน์ทมที่ระดับต่ำกว่าก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราได้ผ่านมันมาแล้วรทมที่อยู่ในระดับสูงกว่าเราฟังแล้วเราก็จะไม่เข้าใจยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ท่านจะแสดงทำที่เหมาะกับ ความรู้ความสามารถของเราอันนี้ถ้าเราไปอ่านตาําราเราก็จะเจอทำทุกระดับทาที่ต่ากว่าเราทาที่อยู่ในระดับของเราแลณทาที่อยู่สูงกว่าของเราถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะเราก็อาจจะเกิดความสับสนได้และอาจจะปฏิบัติไม่ถูกได้เราก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกไป ต่างกับเวลาที่มีผู้ที่มาสั่งมาสอนเราพอเรามีคำถามมีความไม่เข้าใจในธรรมในระดับที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ท่านก็จะสามารถนำเอาธรรมที่จะแก้ความคล่องใจของเหล่านี้ได้ได้ทันทีนี่คือเรื่องของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น อาจารย์เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนเป็นที่พึ่งทางใจอันนี้ตัวอย่างก็มีอยู่มากมายอย่างตัวอย่างของหลว ง, งตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านอยู่กับหลองปู่มั่นนี่เวลาท่านปฏิบัติแล้วท่านติดตรงไหนนี่หลวงปู่มั่นก็จะมาคอยแก้ให้อยู่เรื่อย ช่วงที่ติดสมาธิท่านก็เตือนว่าสมาธินี้เป็นเหมือนเศษเนื้อเนื้อที่ติดฟันนะพอท่านมาติดอยู่ขั้นปัญญาจิตฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญาท่านก็เตือนว่าเป็นกำลังบ้าสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ปัญญาก็จะทำให้ผ่าน ความที่ยังไปติดอยู่กับทำขั้นต่างๆได้ <Yeah. S 1> ติดสมาธิพอหลุดออกจากสมาธิมาก็มาติดสังขารติดความคิดปรุงแต่งโดยคิดว่าเป็นการเจริญปัญญา <Yeah. S 1> แต่เป็นการเจริญแบบเลยเถิดเป็นการเจริญจนทำให้จิตคุ้งซ่านขึ้นมานอนไม่หลับนี่ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็น เรื่องที่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่ปฏิบัตินี้รู้จะเข้าใจทันทีเวลาผู้ปฏิบัติมารายงานให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติอยู่ในระดับไหนกำลังจเจริญทำในระดับไหนจเจริญถูกหรือผิดอย่างไรท่านก็จะสามารถช่วยแก้ไขให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้บรรลุถึงผลที่ต้องการก็คือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจอย่างตอนที่หลว ง, งปู่มั่นท่านผ่านไปแล้วหลงตาท่านก็มาติดอยู่ทำขั้นสุดท้ายตอนที่ท่านได้มีทำปรากฏขึ้นมาแล้วท่านก็ไม่เข้าใจความหมายของธรรม ที่เกิดขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรท่านบอกว่าถ้าเอาไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังเนี่ยหลวงปู่มั่นนี่ก็จะชี้บอกคําตอบได้ทันทีว่ามันเป็นอะไรและจะปฏิบัติกับมันได้อย่างไรแต่เนื่องจากตอนนั้นหลวงปู่มั่นท่านได้จากไปแล้วหลวงตาท่านก็เลยต้องเสียเวลากับการคบคิดแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจอยู่ถึงระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันแต่ในที่สุดก็สามารถฟันฝ่าไปได้เพราะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วคือตั้งแต่พระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระสาวบันนี้ท่านจะสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองเวลาเกิดปัญหาเกิดข้อขัดข้องนี้ท่านก็จะสามารถ แก้ไขไปได้ด้วยตนเองแต่อาจจะไม่รวดเร็วเหมือนกับมีผู้ที่รู้ทางผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วเป็นผู้คอยสอนคอยแก้ให้แต่ในที่สุดหลงตาท่านก็สามารถที่จะบรรลุทาขั้นสุดท้ายได้โดยที่ไม่มีหลวงปูม่ม่นมาคอยมาสั่งมาสอนนี่คือลักษณะของผู้ที่เป็นที่พึ่งของตนได้แล้ว คือพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆนี้ท่านเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิฎารามีพระอนาคามีพระ อ, อรหรนันต์นี้ท่านเป็นที่พึ่งของตนได้ท่านสามารถดับความทุกข์ทางใจต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดนะับช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ ความฉลาดรอบครอบของแต่ละท่านว่ามีความฉลาดรอบครอบมากฉลาดรอบครอบน้อยมีความเพียรพยายามมากน้อยต่างกันการบรรลุธรรมจึงใช้เวลาที่ต่างกันบางท่านก็เจ็ดวันบางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีแต่ถ้าได้มีผู้สั่งผู้สอน และมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสอนแล้วย่อมสามารถที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดในยุคสมัยพระพุทธกาลหรือในยุคปัจจุบันหรือในยุคอนาคตในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันเป็นการศึกษาธรรมเดียวกัน พวกเราจึงไม่ต้องไปกังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วและไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กลัวว่าข่าวหน้าจะไม่ได้เกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อันนี้ก็เป็นความวิตกกังวลที่ไร้เหตุไร้ายผลเพราะว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แล้วทําไมเราจะต้องไปอยากพบกับพระพุทธเจ้า องใหม่ถึงแม้เราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าคือร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการที่มีจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าที่เราสามารถยึดเป็นที่พึ่งได้ยึดเป็นาศาสดายึดเป็นครูบาอาจารย์ได้ สามารถนำพาเราให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปัญหาอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราอยู่ที่การศึกษาของพวกเราว่าเราจะให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรเท่านั้นถ้าเราให้เวลามากต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติ การบรรลุทำขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วขึ้นถ้าให้เวลาน้อยก็จะปรากฏขึ้นมาได้ช้าหรืออาจจะไม่ปรากฏเลยก็ได้เพราะถ้าให้เวลาไม่พอกับการศึกษากับการปฏิบัตินการบรรลุมรรคผลนิพพานก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้ เหมือนกับนักศึกษาที่ไปศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆถ้าให้เวลากับการศึกษาน้อยเอาเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็จะไม่สามารถที่จะจบเรียนจบตามหลักสูตรได้ในเวลาที่ได้กำหนดไว้นะเช่นสี่ปีถ้าเราเข้าไปศึกษาเพียงครึ่งหนึ่ง การที่จะเรียนจบภายในสี่ปีนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้บางท่านในสถานะสถาบันการศึกษาบางแห่งก็ต้องใช้เวลาเกินสี่ปีห้าปีบ้างหกปีบ้างเจ็ดปีบ้างก็เพราะว่าอยู่ที่เวลาที่ให้กับการศึกษาลร่มเรียนนั่นเองฉันใดการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆ เพื่อทาให้ตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการให้เวลาต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านสมบูรณ์แล้วท่านพร้อมที่จะให้ความรู้แก่พวกเราแล้วแต่สิ่งที่พวกเราขาดกันก็คือเวลา ที่เราจะให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเท่านั้นเองเราจึงติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ที่การหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะเราอาจจะยังไม่เห็นโทษของการติดอยู่กับการอยู่กับกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ แลยเราอาจจะเห็นว่าเรายังสามารถดับความทุกข์ต่างๆโดยวิธีอื่นได้อยู่ดับความทุกข์ด้วยการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดับความทุกข์ด้วยการหาลาบยศสารเสนเราก็เลยยังไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาหาวิธีดับความทุกข์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เลยทำให้เรา ไม่ได้มีเวลาที่เราจะมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปอย่างราบคาบได้ถ้าเราใช้วิธีดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขมากลบมันเช่นหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสมากลบมันมันก็จะเป็นการดับความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น เดี๋ยวไม่นานความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะความสุขที่เรามาใช้ดับความทุกข์นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะนี้มันเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นอนิจจังเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันเสื่อมมันหมดไปความทุกข์ที่เรา เอาความสุขมากลบไว้มันก็จะผุดจะโผล่กลับขึ้นขึ้นมาใหม่เราก็จะเสียเวลาเพราะว่าเราก็จะเหมือนกลับไปสู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่แทนที่จะดับความทุกข์ไปตามความสามารถตามเวลาที่เราให้กับมันเราก็ไม่ได้ดับมันเลยเราเพียงแต่ไปกบมันเอาไว้ พอความสุขที่เราหามาได้มากบมันจางหายไปความทุกข์มันก็กลับมาใหม่เราก็กลับมายืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นใหม่จุดที่เราเริ่มดับความทุกข์ใหม่เราก็เลยไม่ก้าวหน้าไปในทางการดับความทุกข์พอมันโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ไปหาความสุขมาดับมันใหม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขอยากลาบยศสรรเสริญ มาดับมันใหม่มันก็ดับไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความสุขที่เราเอามากลบมันก็หายไปความทุกข์อันเดิมก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ได้ลดน้อยถอยไปเลยถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาของเราก็จะเหลือน้อยไปเรื่อยๆแล้ว จนวันหนึ่งเราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขมาดับความทุกข์ได้เช่นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายความทุกข์ก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานจะให้กับเราต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะเราก็จะกลับมาหาวิธีดับความทุกข์แบบเก่าอีก ก็คือมาห า, าลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกยลิ่นรสผลพระเพื่อจะมาดับมันอีกนี่คือวิธีที่เราใช้ในการดับความทุกข์กันเราจึงไม่เคยดับมันได้เสียทีไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างอย่างลาบคาบอย่างถาวอนเพราะว่าเราไม่ได้ดับมันเราเพียงแต่เอาความสุข ไปกลบมันไว้เท่านั้นเองพอตอนมีความสุขกบมันไว้ก็เหมือนกับว่าเราได้ดับความทุกข์ไปแต่เดี๋ยวพอความสุขที่เราเอามากบมันดับไปมันหมดไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีที่ทำให้พวกเราไม่ได้เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อที่จะมาดับความทุกข์อย่างจริงจังกันเราเลยไม่ได้มาดับความทุกข์กันเราเพียงแต่ไปหาความสุขมากบความทุกข์กันเพราะการที่เราจะใช้การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์นี่เราต้องใช้ความเราต้องผ่านความทุกข์กันซึ่งเป็นอุปสรรคสาหรับพวกเรา เพราะพวกเรานี้ไม่ต้องการความทุกข์กันไม่ต้องการความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติกันแต่การปฏิบัตินี้มันจะต้องทุกข์เพราะเราจะต้องฝืนต่อสิ่งที่ทำให้เราเราปฏิบัติกันเพราะเขาจะต่อต้านสิ่งที่ต่อต้านก็คือต้อนเหตุของความทุกข์นั่นเองคือกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆเขาจะต่อต้านเราเวลาที่เรามาปฏิบัตินี้เราต้องหยุดกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับพวกเราเราจึงไม่ก็อยากที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะมันจะต้องฟันฝ่าความทุกข์ ที่เกิดจากการต่อต้านของข้าศึกศัตรูของพวกเราที่พวกเราต้องการจะทําลายมันก็จะต่อสู้กับเราเวลาที่เราไปกําจัดมันนี่มันจะต่อสู้กับเรามันจะสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้กับเราเราจึงไม่ค่อยอยากที่จะเข้ามาสู้กับมันเราจึงใช้วิธีสู้กับมันด้วยการไปหาความสุขมาสู้กับมันดีกว่า แทนที่จะมาปฏิบัติธรรมแทนที่จะมาถือศีลกันถือศีลอดกันต้องงักปฏิบัตินี้ต้องถือศีลอดถือศีลแปดขึ้นไปเวลาถือศีลอดนี่มันจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทรมานใจเพราะใจนี้เคยหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆพอต้องให้มาหยุดทำตามความอยากต่างๆ มันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจจึงไม่อยากที่จะมาปฏิบัติอยากจะไปหาความสุขมาดับความทุกข์ดีกว่าแต่เป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวเป็นการกบมันไว้เท่านั้นเองและมันจะไม่มีวันหมดไปด้วยการที่เราไปหาความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจต่างๆ เพราะมันไม่ได้ดับมันเพียงแต่กลบเอาไว้แล้วพอความสุขที่เราหามาได้มันจางหายไปความทุกข์ที่เรากบไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมดังนั้นเราต้องพิจารณาดูว่าเราควรจะทำอย่างไรดีวิธีเดิมๆนี้เราทำมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านชาติแล้วทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ใช้วิธีดับความทุกข์แบบนี้กัน คือไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพากันแล้วมันก็ไม่เคยดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้แล้วก็ไม่สามารถหยุดไม่ให้มันพาให้เรากลับมาเกิดใหม่ได้แต่วิธีของพระพุทธเจ้านี้ได้รับการพิสูจน์ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นวิธีที่จะสามารถ ทำให้พวกเราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงและจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาสร้างความทุกข์กันใหม่อีกต่อไปด้วยการกลับมาเกิดใหม่เพราะการกลับมาเกิดใหม่ก็จะต้องมาพบกับความทุกข์ต่างๆที่เราพบกันในขณะที่เรามาเกิดกันพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักความทุกข์ที่เกิดจากการต้องสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบหรือบุคคลที่เราไม่รักเราไม่ชอบกันเพราะว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องนั่นเองวิธีที่ถูกต้องนี้เราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นท่านจึงจะ ท่านจะสอนเราบอกให้เราแก้ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้วิธีแก้ปัญหาหรือดับความทุกข์ใจที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราแก่ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่นี่คือวิธีที่จะแก้ที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้อย่างถาวรอย่างราบคาบ จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วทรงปฏิบัติทานศีลภาวนามาแล้วจนสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระไถยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้ทําให้พระไถยของพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ ม, มาตายอีกต่อไป หลังจากนั้นพระองค์ก็เลยเอาความรู้อันนี้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราน้อมนําเอาไปปฏิบัติกันได้พวกเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดไปได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ดับไปผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและน้อมนําเอาไปปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติได้การไม่นานก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมามาเป็นผู้ช่วยของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องให้แก่ผู้อื่นต่อไปเราเราจึงไม่ควรที่จะตั้งเลยสงสัยในวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธ ตาเจ้าและพระอริยสงสารุกเลยอย่าไปหลงกับการดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขมากบมันเพราะมันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์อย่างแท้จริงอย่างถาวรเป็นการกบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วความทุกขนะ์นั้นมันก็จะโผลข่ขึ้นมาขึ้นมารบกวนใจเราต่อไป เราควรที่จะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจนีเกิดที่พึ่งอันดับแรกทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้เราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่เป็นเป็นผู้ที่เราพึ่งได้ผู้ที่จะสอน ให้เราดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้การจะเกิดศรัทธาเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปฟังคาสอนของท่านถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีได้พบกับพระอริยสงสาวก็ดีได้ฟังธรรมของท่านก็ดีถ้าเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาถ้ายังไม่เกิดก็ต้องไปฟังบ่อยๆ เพราะการฟังธรรมนี้อาจจะฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจเพราะระดับสติปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนมีความฉลาดแหลมคลมมากฟังครั้งเดียวก็เข้าใจเกิดศรัทธาสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมได้ในขณะเดียวกันเลยเช่นพาหิยะหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ที่ทรงตัดสอนว่าให้ศักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็ศักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเขาก็สามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติสอนให้ใจของเขานี้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดไปเลยอันนี้เป็นเพราะว่าเขามีสติปัญญาที่แก่กล้ามากฟังทำหนเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้เลย พอบรรลุแล้วก็มีศรัทธาที่จะออกบวชขออนุญาตไปเตรียมอบริขารเพื่อจะได้มาขอบวชจากพระพุทธเจ้าต่อไปแต่สําหรับบางท่านนี้ก็ต้องฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังเป็นปีที่อาจจะต้องฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอาจจะฟังแบบทัพทีในหม้อแกงนั่นเอง เวลาฟังนี้ใจไม่ได้ตั้งใจฟังเลยเวลาฟังนี้ใจมัวแต่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ทาที่ได้ยินจึงไม่เข้าไปในใจเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปได้ยินแต่เสียงธรรมแต่ไม่เข้าใจความหมายเพราะการจะเข้าใจความหมายได้เวลาฟังต้องพิจารณาตามพิจารณาตามเหตุตามผลที่ผู้แสดงได้แสดงไว้ถึงจะเกิดความเข้าใจ ถึงจะเกิดศรัทธาความเชื่อได้แต่ถ้าฟังใส่แต่ว่าฟังใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจฟัง ก, ก็จะไม่รู้ว่าได้ยินได้ฟังอะไรรู้ว่าเป็นเสียงธรรมเท่านั้นเองเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกไปทางหูขวาอย่างนี้เรียกว่าฟังแบบทับที่ในหม้อแกง ฟังแบบนี้จะฟังกี่ร้อยปีกี่ร้อยชาติมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราเหมือนกับทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงนั่นแหละจะอยู่ได้นานสักกี่ปีมันก็ไม่รู้ว่าแกงในหม้อนั้นเป็นแกงชนิดใดถ้าอยากจะฟังแล้วให้เกิดศรัทธาเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้พอได้สัมผัสกับนถพอได้สัมผัสกับแกงเพลง หยดเดียวก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนการฟังธรรมถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ก, ก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมทันทีจะเข้าใจทันทีและจะเกิดศรัทธาที่จะน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้ทันทีดังนั้นการเข้าหาครูบาอาจารย์เข้าฟังเทศฟังธรรมนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเรามีสติ คอยฟังธรรมเวลาฟังธรรมนี้ต้องควบคุมความคิดของเราให้ได้อย่าปล่อยให้ใจเราคิดไปในเรื่องราวต่างๆให้เราคิดไปกับเรื่องธรรมที่ท่านกําลังแสดงอยู่ถ้าเราคิดไปตามที่ท่านคิดเราก็จะเห็นอย่างที่ท่านเห็ น, นการแสดงธรรมนี้ท่านเอาความเห็นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาแสดงให้กับพวกเรา แล้วถ้าเราฟังแล้วเราคิดตามที่ท่านแสดงมาเราก็จะเห็นตามที่ท่านเห็นแต่ถ้าเราไม่คิดตามเราฟังเฉยๆหรือว่าไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะไม่เข้าใจ <c oughs> ในธรรมที่ท่านแสดงไว้เราก็จะไม่สามารถมีความเห็นที่ถูกต้องที่ท่านเห็นได้ความเห็นเก่าความเห็นแบบเดิมที่ไม่ถูกต้องก็ยังจะฝังอยู่ในใจของเรา ก็คือความเห็นที่การใช้การใช้ความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ภายในใจมันก็จะไม่พลิกใจของเราให้เปลี่ยนวิธีการหาความสุขแบบใหม่กันถ้าเราฟังด้วยความคิดตามที่ท่านแสดงไว้เราก็จะเห็นว่าวิธีของการดับความทุกข์ใจแบบเก่าที่เราใช้กันคือการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะนี้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจเป็นเพียงแต่กบความทุกข์ใจไว้ชั่วข่าวเท่านั้นวิธีที่ถูกต้องที่จะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ก็คือวิธีของทานศีลภาวนานี้ต่างหาถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยฟังไปพิจารณาตามไปเราก็จะเข้าใจวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้อง มันก็จะทำให้เราหักเหการดำเนินชีวิตของเราได้หักเหการดับความทุกข์ของเราได้เราก็จะเลิกหาราบยศสรรเสริญเลิกหารูปเสียงกลิก่นลดโผฏฐพัมเพื่อมาดับความทุกข์ใจกันเราก็จะมาหาทานศีลภาวนาเพื่อมาดับความทุกข์ใจกันพอเรามีทานศีลภาวนาดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจก็จะถูกดับไปอย่าง อย่างแท้จริงดับไปอย่างราบคาบได้อันนี้ก็เกิดจากการฟังธรรมแบบดิ้นกับแกงเวลาฟังธรรมจึงสำคัญมากที่เราจะต้องควบคุมใจของเราไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องคอยดึงมาให้ฟังอยู่กับธรรมที่กำลังแสดงอยู่และให้พิจารณาให้คิดตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ เราถึงจะเกิดความเข้าใจได้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องได้เห็นว่าวิธีการดับทุกข์ของเราในอดีตนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องวิธีที่เรากำลังใช้ดับความทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าเราหาความสุขมาดับความทุกข์มันจะไม่สามารถดับความทุกข์ได้มันเพียงแต่จะกรบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเท่า น, นั้น และความสุขที่เราหาได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรพอมันจางหายไปความทุกข์ที่เรากอบไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรนี้พระพุทธเจ้าได้สรงพิสูจน์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วก็คือวิธีดับทุกข์ด้วยการบาเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเราก็ต้องบำเพ็ญเหมือนกับที่ท่านบำเพ็ญเราถ้าเราปฏิบัติตามได้รับรองได้ว่าผลก็จะต้องเป็นผลชนิดเดียวกันถ้าเหตุเป็นเหตุชนิดเดียวกันผลก็ต้องเป็นผลชนิดเดียวกันถ้าปลูกข้าวผลก็จะต้องได้มล็ดข้าวขึ้นมา ปลูกข้าวแล้วไม่ได้เมล็ดส้มไม่ได้ผลส้มไม่ได้ผลมะละกอปลูกข้าวก็จะนอกได้เมล็ดข้าวเป็นผลตามมาชั้นใดกา ร, รการปฏิบัติทานสิงภาวนาเป็นการดับทุกข์ไม่ว่าจ ะ, ะบำเพ็ญทานสิงภาวนาในยุคไหนสมัยไหนก็ตามก็มันก็จะทําให้ดับความทุกข์ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะเหตุมันเหมือนกันเหมือนกับปลูกข้าวในสมัยพุทธกาลก็ย่อมได้เมล็ดข้าวปลูกข้าวในสมัยปัจจุบันนี้ก็จะได้เมล็ดข้าวเหมือนกันเอถ้าแล้วถ้าในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อเป็นการดับความทุกข์ใจแล้วก็ดับความทุกข์ใจได้อย่างราบคาบถ้าเรามาบำเพ็ญทานศีลภาวนาในยุคปัจจุบันนี้ เราก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เช่นเดียวกันเพราะเหตุและผลนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลานั้นเองเป็นอาการิโพอาการิโกะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงไม่เปลี่ยนไปกับการกับเวลาดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทางใจของเราให้หมดสิ้นไป เราก็ต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่านได้พิสูจน์ให้กับพวกเราแล้วว่านี่คือวิธีดับความทุกข์ได้อย่างแน่นอนวิธีอื่นนี้ไม่ใช่ทางดับความทุกข์เนี่ยทางสายกลางนี่เป็นวิธีดับความทุกข์วิธีดับความทุกข์ด้วยความสุขมากลบนี้ก็ไม่ได้ดับความทุกข์ไป วิธีดับความทุกข์ด้วยความทุกข์มากลบมันก็ไม่ได้ดับความทุกข์ไปสองวิธีที่ใช้กันอยู่นั้นไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีที่สามวิธีที่อยู่ร ะ, ระหว่างกลางอยู่ระหว่างวิธีหาความสุขมาดับทุกข์กับวิธีหาความทุกข์มาดับทุกข์ด้วยการหาทานศีลภาวนา เป็นวิธีที่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อว่าทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบาเพ็ญ น, นี้จะเป็นทางดับความทุกข์ของพวกเราได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าได้ส่งบาเพ็ญทานทานก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพระพุทธเจ้าก็ทรงบาเพ็ญอย่างเต็มที่ คือสละหมดเลยเพราะไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองเพราะเงินทองไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจเราได้ถ้ามีไว้ก็เฉพาะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองแต่จะไม่มาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจที่ดับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยสละราชสมบัติ ไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ทางใจแล้วก็ออกไปบําเพ็ญศีลกับภาวนาเ อ, อต้องออกไปอยู่ที่สงบสงัดอยู่ที่ห่างไกลจากความสุขทางตาหูจะหมกลิ้งกายเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วมันก็จะถูกความสุขนี้ดูดแล้วก็จะอาศัยใช้ความสุขแบบนี้มาดับความทุกข์ใจต่อไป จึงจำเป็นต้องหนีออกจากความสุขเหล่านี้ไปเพื่อที่จะได้มาสร้างวิธีดับความทุกข์แบบใหม่ก็คือสร้างสร้างศีลสร้างภาวนาขึ้นมาออถ้าอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ใกล้กับลาบยศสรรเสริญมันก็จะถูกลาบยศสรรเสริญถูกความสุขทางตาหูจมูกมือกายดูดให้กลับเอาไปใช้เป็นวิธีดับความทุกข์เนี่ย พระ อ, องค์เลยต้องสละราชสมบัติแล้วก็ออกจากพระราชวังไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่จะได้สร้างศีลขึ้นมาสร้างภาวนาขึ้นมาพอพระ อ, องค์ได้สร้างศีลได้สร้างภาวนาภาวนานี้ก็มีสองระดับคือสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาพอได้สร้างศีลขึ้นมาสมถภาวนาขึ้นมา วิปัสนาภาวนาขึ้นมาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่างๆก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นไปไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปอต้องจึงมีความแน่วแน่มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่านี่แหละคือวิธีดับความทุกข์ใจได้อย่างแท้จริงไม่ใช่วิธีที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยนั้นคือดับด้วยการเอาความสุขมากลบความทุกข์ หรือดับด้วยการเอาความทุกข์ม า, มากบความทุกข์มันก็ไม่ดับเหมือนกันวิธีทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆให้ร่างกายเจ็บทรมานก็ไม่ได้มาดับความทุกข์ทางใจได้วิธีเอาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมาดับความทุกข์ทางใจก็ไม่สามารถดับมันได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะดับมันได้ก็คือวิธีของทานศีลภาวนานี้เอง เราจึงต้องมาบำเพ็ญทานศีลภาวนากันวันนี้เราก็มาทำบุญทาทานกันเราก็ทำไปทำไปเรื่อยๆทำให้มันมากขึ้นไปทำให้มันหมดเราจะได้ผ่านขั้นนี้ขั้นทานไปได้ถ้าเรายังทำไม่หมดนี่เราก็ยังจะติดอยู่ขั้นทานเมื่อติดอยู่ขั้นทานนี้มันก็จะยากต่อการที่เราจะไปขึ้นไปสู่ขั้นศีลขั้นภาวนาได้ เราจึงต้องทำขั้นตานนี้ให้มันหมดไปถ้าเราจำเป็นจะต้องเก็บเงินทองไว้สนับสนุนในการปฏิบัตินี้เก็บไว้ได้เช่นถ้าเราเป็นผู้หญิงเราบวชเป็นพระไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรเลี้ยงเราเราก็ต้องอาศัยเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายแต่เราจะไม่เก็บเงินเก็บทองไว้ไปซื้อความสุขมาดับความทุกข์ทางใจเท่านั้นเองเราจะเอาเงินทองนี้ามา ใช้ในการสนับสนุนในการบำเพ็ญศีลและภาวนาต่อไปองั้นเราต้องพยายามทำทานกันให้มากๆทำจนกระทั่งเราไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือมาดับความทุกข์ทางใจกันแล้วเราจะได้มาอาศัยศีลและภาวนามาเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจพอเราทาทานได้ไปบวชได้ไปอยู่ปฏิบัติแบบนักบวชได้นักษาศีลได้ บำเพ็ญสมถาาภาวนาได้บำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาได้ความดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปได้อย่างแน่นอนอยู่ที่การบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยดังนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีความศรัทธาความเชื่อขอให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันแรกของพวกเราถ้าเรายังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ ถ้าเรายัางไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจของพวกเราได้เราก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สั่งสอนพวกเราไปก่อนพอเรานําเอาไปปฏิบัติแล้วแล้วเราสามารถดับความทุกข์ทางใจของเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราไปอย่างเท่าอย่างถาวรตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุป ก, ปกบปติอิชิตังปัติตงัตงตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเริตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโูติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉานตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีิทธะนิจังวุธาปจายโนจตาโรธรรมาวาทานติอายุวะโนสุขังภาลางขันำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านมีคำถามมีใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันถ้าอยากจะถามก็เดินมาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้ถามหรือถ้าไม่อยากจะพูดทางไมโครโฟนจะเขียนข้อความส่งมาก็ได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านที่ติดตามทางถ่ายทอดสดนี้ถามก่อนวันนี้ไม่ทราบมีเข้ามาเท่าไหร่ แล้วก็ YouTube อยู่ที่70สิคนนะครับยูทูบเม่อี้ขาดไปนิดไงครับตอนนี้เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณหญิงยิ้มลูกที่ด่าพ่อแม่จะปากจูเท่ารูเข็มลูกที่ตบตีพ่อแม่มือจะเท่าใบลานตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรดผอมแห้งสูงยาวตัวเท่าต้นตาลเพราะไม่สามารถกินอะไรได้ อันนี้รู้ตั้งแต่เล็กๆแล้วพ่อแม่ที่กําเนิดลูกออกมาแล้วไม่เลี้ยงดูทอดทิ้งอยากรู้ผลกรรมของเขารู้ว่าผู้ให้กําเนิดมีพระคุณแต่หลังจากนั้นเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็เป็นทุกข์ทั้งชีวิตไม่ใช่หรือคะอ้าวพ่อแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกเขาต่อไปไปเป็นลูกก็จะไม่มีพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเขาสิกรรมมันก็กองกรรมกงเกวียน ทำกรรมนันได้ไวก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่เลี้ยงลูกต่อไปเวลาไปเป็นลูกก็ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงคํ <c oughs> าถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกก็อยากให้แม่มาปฏิบัติมากๆแต่แม่ก็มีห่วงคือพ่อเราควรพาเขาเข้าวัดอย่างไรดีคะเพราะหัวอกลูกก็อยากให้มาปฏิบัติบ้บางจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ต้องใช้อุบายบอกเขาตรงๆบางทีเขาไม่อยากจะมาแต่ถ้าใช้อุบายเขาอาจจะมาก็ได้เช่นบอกว่ามาวัดเป็นมาคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนมาด้วยช่วยมาเป็นเพื่อนหน่อยบางทีก็ไม่อยากมาเพื่อตัวเขาเองแต่เขารักเราเขาชอบเราเขาอาจจะมาเพื่อเราก็ได้ยังงั้นบางทีเราต้องใช้อุบายพูดตรง ๆ, รงๆเขาไม่มาก็ต้องหาอุบาย ออกอกันคำถามจากคุณอัญชนาหนูฟุ้งซ่านค่ะและนั่งโดยใช้ลมหายใจพุทโธแต่มีความคิดซ้อนขึ้นมาหนูเลยไม่แน่ใจว่าควรใช้พระพุทธคุณดับไหมคะหรือใช้ลมหายใจพุทโธต่อคะไม่สามารถลงสมาธิได้เลยค่ะหนูรู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยเ อ, อ็หนูใช้พุทโธน้อยไปต้องพุทโธตั้งแต่ตื่นเลย ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่ต้องคิดก็อย่าพุทอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เสียเวลามาคิดพุดโทโธพุโทโธดีกว่าและเวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่คิดมากแล้วจะสงบได้ง่ายได้เร็วแต่บัวแต่มาพุโทโธตอนนั่งอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าเหมือนรถเน่ยเวลาเราจะให้มันจอดตรงนี้เราต้องเหยียบเบรกตั้งแต่ตรงนู้นมาก่อนมันถึงจะมาจอดตรงนี้ได้ไม่ใช่บอกถึงตรงนี้ เหยียบเบรกป๊อบจะให้มันจอดตรงนี้มันไม่จอดแล้วมันไปนู่นอีกกิโลหนึ่งกว่าจะจอดฉันได้จิตเราก็เหมือนรถที่มันวิ่งเร็วเนี่ยพอเวลานั่งสมาธิใ้มันนิ่งสงบเลยนี่มันไม่มีวันละเพราะเราไม่ได้เหยียบเบรกมาก่อนเราต้องเหยียบเบรกมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องพุทโธพุทโธการพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นการเบรกความคิดไงถ้าเราพุทโธพุทโธไปรถจิตมันก็จะชะลอตัวลงมันก็จะวิ่งช้าลงช้าลง พอเรามานั่งปุ๊บเดียวๆมันก็จอดได้ทันทีหยุดได้ทันทีดังนั้นต้องพยายามฝึกพุโทโธให้มากๆอย่ามาพุพโทโธตอนที่นั่งแล้วบางทีพุโทโธได้ไม่กี่คำก็หยุดละเผลอไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ละนั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ดังั้นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนสตินี่เป็นกุญแจดอกสาคัญที่จะทาให้จิตสงบ จะมาสร้างแต่เฉพาะตอนที่นั่งนี่ไม่พอเหมือนจะเบรกรถตอนที่ถึงที่ที่จะหยุดแล้วนี่มันเบรกไม่ได้มันต้องเลยไปป้ายหนึ่งอ่ะเหมือนกับรถเมย์เนี่ยพอถึงป้ายบอกกระเปา๋าขอลงป้ายนี้วมลงไม่ได้แล้วต้องไปลงป้ายหนะ้าออ คนที่จะลงรถเขามักจะบอกกระเป๋าลงหน้าก่อนนะไอจะลงตรงนู้นนะเอะ่เขาจะได้บอกคนขับคนขับก็จะได้ชะลอรถเบรกรถได้หลันได้จิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้มันสงบตอนที่เรานั่งเราก็ต้องพุโทโธก่อนที่เรามานั่งถ้าเราพุทธโทพุโทโธอยู่ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเรามานั่งรับรองได้ว่าสงบแน่ๆไม่เชื่อลองทําดูสิแค่นี้เองง่ายๆไม่ยอมทํากัน ยาวพูดโทรสองคำแล้วก็จอดป๊อเลยมันไม่มีทางหรอกคำถามจากคุณเอเจชัยนายจ้างผมจะลดเงินเดือนสามสิบเปอร์เซ็นผมจะเลือกทางเลือกไหนดีครับระหว่างข้อหนึ่งทำงานนั้นต่อและรับสภาพข้อสองลาออกเองเลยข้อสามฟ้องร้องเพื่อความเป็นธรรมก็ทางเลือกของคุณคุณก็เลือกเอาสิมาถามทำไม <laughs> คำ ถ, ถามจากคุณนันทิดาขณะนั่งสมาธิจําเป็นต้องต้องเข้าอาการตกหลุมตกบ่อจึงจะดีหรือเปล่าคะก็ถ้าตกหลุมตกบ่อจริงๆมันก็จะมันจะลงเข้าไปลึกบางทีไม่ตกหลุมตกบ่อมันก็สงบเหมือนกันแต่สงบไม่ลึกนี่เราไปบังคับมัไม่ได้มันอยู่ที่สติของเราสติมากมันก็จะตกหลุมตกบ่อได้ ถ้าสติไม่มากมันก็จะตกไม่ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากเราต้องทำงานที่ต้องตุ้มเทแรงกายแรงใจมากทําให้อาจเหลือเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานค่อนข้างน้อยเราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ก้าวหน้าในธรรมได้รวดเร็วไปพร้อมๆกับเรื่องทางโลกได้บ้างคะก็วันหนึ่งมันก็มีแค่ยีสิชั่วโมงคนก็ต้องจัดการเวลา ถ้าคุณจะเอาเวลา24ชั่วโมงนี้ไปใช้ทําอะไรบ้างถ้าคุณเอาไปใช้ทางโลกคุณก็จะไม่มีเวลามาใช้ทางธรรมก็มีเท่านั้นถ้าคุณอยากจะมีเวลาให้กับทางธรรมคุณก็ต้องตัดเวลาทางโลกไปตัดเวลาดูละครไปตัดเวลาไปเที่ยวไปอคุณไม่ยอมตัดแล้วคุณจะเอาทางเอาเวลามาสร้างทางธรรมได้อย่างไร เะนั้นก็นมักพิจารณาดูพระพุทธเจ้าก็มียี่บสี่ชั่วโมงพวกเราก็มียีิบยี่บสี่ชั่วโมงทำไมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ทำไมพวกเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเราเอาเวลายีบสี่ชั่วโมงของเราไปใช้ต่างกับที่พระพุทธเจ้าไปใช้พระพุทธเจ้ายี่บสี่ชั่วโมงไปใช้กับการภาวนาพวกเรายี่บสี่ชั่วโมงไปใช้กับตารูปเสียงกลิ่นรสกันกนมันก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นเป็นผลเท่านั้นเองน งั้นมันมันอยู่ที่การใช้เวลาให้ให้เป็นเราใช้เวลากันไม่เป็นเราต้องมานั่งจดทําบัญชีดูเสร็จวันนี้เราใช้เวลากี่ชั่วโมงไปกับเรื่องไหนบ้างเราถามว่าเรื่องเหล่านี้เราเลิกได้ไหมตัดได้ไหมถ้าไม่ทํามันเราจ ะ, จะตายไหมถ้าเราไม่มานั่งดูบัญชีรายจ่าย การใช้เวลาของเราแล้วเราก็ใช้ไปตามนิสัยของเรามันก็จะใช้ตามตามแบบตามเดิมไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมานั่งวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลแล้วคิดถึงผลที่เราจะได้รับถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้เวลาของเราจากทางโลกมาทางธรรมเราก็จะได้ผลทางธรรมมากขึ้นเมื่อเราเห็นว่าเราจะได้ผลทางธรรมมากขึ้นจากการที่เรา เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเราก็จะได้มีกําลังใจที่จะเปลี่ยนเพราะมันไม่มีทางอื่นเนี่ยทำมันไม่ได้ตกลงมาเหมือนฝนฝนบนท้องฟ้านั่งรอเวลาไหนฝนตกก็มาลองน้าฝนกันได้ทำมันไม่มาแบบน้นําฝนทำมันมาเพราะเราจัดการให้มันมาชีวิตของเรานี้เราจัดการได้แต่เราไม่จัดการกันเองเราปล่อยให้กิเลส ต, ตันหาเป็นผู้จัดการแทนเรา มันสั่งมันบอกเราตอนนี้ไปที่นั่นนะไปดูนั่นนะตอนนี้ไปฟังไห้นั่นนะตอนนี้ไปกินไปดื่มไหมนั่นนะเนี่ยเรามีผู้จัดการคอยจัดการชีวิตให้กับเราเราต้องฆ่าผู้จัดการตัวนี้ไล่มันออกไปเพราะมันชอบพาให้เราไปเสียคนมันไม่ได้ทําให้เราดิบได้ดิบได้ดีไม่ได้ธรรมะเอาผู้จัดการคนใหม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้จัดการะ เอาครูบาอาจารย์มันเป็นผู้จัดการแล้วท่านจะจัดการกับชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้คําถามจากคุณโจวัวชราพลเหตุไฉนจิตที่ก่อติดที่กายไม่สามารถเข้าเข้าออกออกได้ครับทําไมต้องออกได้เฉพาะเวลาสิ้นใจครับมันเข้าเข้าออกออกได้เวลาจะดึงจิตเข้าก็ใช้พุทโธเราไม่ใช้พุทโธมันก็เลยมีแต่ออก เพราะตัวดันออกมันทํางานตลอดเวลาตัวดันออกก็คือกิเลตันหามาดันจิตให้ออกมาทางร่างกายมาทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระเนี่ยถ้าเราอยากจะดึงจิตเข้าข้างในเราก็ต้องใช้พุทโธพุทโธดึงเข้าไปเราไม่ใช้พุทโธกันจิตมันก็เลยออกมาทางร่างกายมันจะแยกจากทางร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะให้มันเกาะได้แล้ว เวลาร่างกายตายไปจิตก็ไม่สามารถที่จะเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้จิตก็ไปหาร่างกายอันใหม่ที่มันจะไปเกาะได้ต่อไปคำถามจากคุณชรินทิพย์ข้าพระเจ้าข อ, ขอขมาพ่อแม่และสามีที่บ้านให้เขาพูดอโหสิกรรมให้กรรมที่มีต่อกันจะหลุดหรือไม่ติดตามหรือเปล่าคะคือกรรมที่เราทำต่อผู้อื่นนั้นมัน การโอโหสิกรรมนี้มันมันล้มไม่ได้บาปที่เราทำแล้วมันก็ต้องมีผลตามมาแต่การจองเวรจองกรรมของบุคคลที่เราไปสร้างเวรสร้างกรรมด้วยถ้าเขาให้อโหสิกรรมเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมกับเราคำถามจากคุณอ้อเวลานั่งสมาธิไปได้สักพักจะมีความรู้สึกคันคอแล้วก็ไอลูกพยายามฝืนแต่ก็อดที่จะไอไม่ได้ ทุกครั้งจะแก้ไขยังไงดีคะก็ต้กินยาแก้ไอสิคราคำถามจากคุณชลิตเนื่องจากกระผมสังเกตจิตตัวเองว่ามักชอบส่งออกนอกช่วงระหว่างนอนและหลังจากตื่นนอนจึงขอโอกาสเรียนถามท่านพระอาจารย์ช่วยแนะนำอุบายวิธีที่จะปลุกสติให้กลับมา กำกับจิตเราได้ในทันทีขณะที่เริ่มรู้สึกตัวระหว่างตอนนอนและหลังจากตื่นนอนครับบริกรรมพุทธโธไปไพุทธโธพุทธโธมันก็จะทําให้จิตตื่นจิตมีสติคราบคำถามจากคุณพิมพ์ในขณะที่เรากําลังจะเสียชีวิตให้เราตั้งมั่นที่พุทพุทโธเท่านั้นใช่ไหมคะอ๋อดองตั้งแต่ตอนยังไม่ตอนที่ยังไม่ตายใถ้ใกล้ตายไปตั้งมันไม่ทันมันเบรกรถเนี่ย <laughs> ต้องต้องเบรกไว้ก่อนถึงเวลามันจะได้เบรกได้ถ้าไม่เบรกเบรกไม่เป็นถึงเวลาไปเบรกมันเบรกไม่ได้ดังนั้นต้องมาตั้งพุโทโธตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไปรอตั้งตอนที่จะตายตอนนั้นมันไม่มีกะจิกกระจายอย่าไปตั้งอะไรแล้วตอนนั้นจิตมันจะเป็นบ้าแล้วมันมันจะเสียสติด้วยความทุกข์ทรมานใจคําถามจากคุณพัทธลพงษ์ อาการตกหลุมตกบ่อคือปิติประเภทหนึ่งหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกปิตินี่เป็นเป็นอาการที่เกิดความรู้สึกซาบซ่าในจิตใจเหมือนได้ดืม่มเครื่องดื่มที่มีมีฟองอ <c oughs> <c oughs> ขนลุกซา <c oughs> น้ำตาไหลอะไรอย่างนี้เรียกว่าปิติ แต่วเวลาตกหลุมตกบ่มันเหมือนกับตกจากที่สูงลงมาแล้วก็นิ่งสงบสบายเบาเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศคําถามจากคุณลูกพ่อตากศิลเคยเผลอปา마ดคูบาอาจารย์ควรทําอย่างไรครับก็อย่าไปทําต่อไปฝึกสติให้มากวาเวลาจะพูดถึงใครนี่คิดซะก่อนคิดให้ดีซะก่อนว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดน คำถามจากคุณสุวรรณาในการภาวนาบางครั้งได้กลิ่ น, นหอมบางครั้งได้กลิ่นเหม็นกลิ่นเหมือนกลิ่นศพ ท, ทั้งทั้งที่เราภาวนาอยู่ในห้องพยายามพุโทโธกำหนดและแผ่เมตตาสิ่งเหล่านี้คือตัวเราคิดไปเองหรือตัวกิเลสที่พยายามให้เรากลัวและหยุดทำคะนั่นแหละกิเลสทั้งนั้นแะควรจะพุโทโธพุธโทโธของเราไปไม่ต้องไปแผ่เมตตาไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้น อะไรมาให้เราสัมผัสรับรู้เราก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจกลิ่นเหม็นก็รู้ว่าเหม็นเมนกลิ่นหอมก็รู้วันหอมก็พอไม่ไม่ต้องไปแผ่เมตตาไปอะไรพุโทโธของเราไปเรื่อยๆเวลาเรานั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการทําอะไรนอกจากพุโทโธไปอย่างเดียวคําถามจากคุ ณ, ณธวัฒน์เวลานั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิมีอาการง่วงจะแก้ไขยังไงครับก็ลุกขึ้นมาเดิน มกรลุกขมาเดินอาบน้ำล้างหน้าล้างตาคำถามจากคุณนพลอาการภายนอกระหว่างคนที่มือกับการทำสมาธิแบบตกลุมตกบอ่อต่างกันไหมครับ อ, อ๋อต่างกันตกลุมตกบ่อเนี่ยไม่เหมือรู้มีสติรู้สึกตัวตลอดเวลามือนี้เป็นเหมือนกับกำลังจะสับประงกพวกมือเนี่ยแบบสติไม่ค่อยมีน ดับในเหม่่อลอยใจไม่มีสติตอนนี้คำถามหมดค่ะหลวงพ่อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเวลานั่งคำถามจะคุณบงกฎกรเวลานั่งสมาธิทำไมเจ็บกลางหน้าผากระหว่างคิ้วมากคะ อ, อ๋อเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ย เวลาดูหนังไม่ไม่เจ็บใช่ไหมอาเจ็บเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสไม่ชอบนั่งสมาธิกิเลสชอบดูหนัง ม, มันก็เลยสร้างความทุกข์มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเราเราจึงมักจะชอบห า, หาความสุขมาดับความทุกข์กันนั่งดูหนังดีกว่าสบายมีความสุขความทุกข์ใจหายไปพอมานั่งสมาธินี่โอ้โหปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาทันทีเอ จะถามได้จะถามว่าเวลานั่งสมาธิค่ะมันจะมีน้ำลายไหลออกมาไม่เคยสํัมผัสทีค่ะลงมาคอค่ะอ่าอย่าไปสนใจ ม, น ม, นมันเถ อ, อะเราไม่อยู่กับพุโทโธพุทโธเลยไปอยู่กับน้ําลายมันก็ไหลเลยอย่าไปอยู่กับอยู่กับพุทโธไปมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันมันจะหายไปเองเราไม่อยู่กับพุทโธเราอยู่กับน้ําลายมันก็ยิ่งไหลใหญ่ คำถามหมดค่ะหลวงพ่อตอนนี้หมดก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเหมือนน้ำน้าบางทีมันหยุดไหลก็รอเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไหลต่อสี่เจ็ดนี่ห้าศูนย์นี่หกศูนย์สี่แปดะ48เออสี่แปดสิบสองปีแล้วเข้า <c oughs> ปีที่สิบสามะเห็นไหม ใช่ไหมพวกที่หายไปในแสดงวันพวกลิ้นกับแกงเนี่ยใช่ไหมเอเขาไปแล้วเขาฟังแล้วเขาเกิดศรัทธาเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรเขาก็ไปพวกที่ยังมานี่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก็เลยมาฟังใหม่พขฟังทีไรก็เป็นทัพพีทุกทีฟังได้ยินแต่เสียงแต่ใจมัวไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ะ ฟังเลยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็เลยยังไปไม่ได้พวกที่ไปได้ก็เพราะเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเขารู้เหตุรู้ผลว่าไปแล้วไปเพื่ออะไรทำแล้วจะได้อะไรเขาก็เลยไปกันอพวกที่อยู่นี้ยังต้องพัฒนาต่อไปอถ้าเป็นบัวก็บัวที่อยู่กลางน้ํานู่นยังไม่อยู่เปลี่ mn ้ำยังไม่อยู่เหนือน้ํา ต้องใช้เวลาฟังไปเรื่อยๆสิบสามปีแล้วสิบสองสิบสองปีแล้วเช่าปีที่สิบสามนะยังฟังไปเรื่อยๆก่อนพวกที่เข้าไปแล้วแสดงว่าเขาเข้าใจแล้วเขารู้แล้วมาฟังยังไงก็ได้แค่นี้แหละถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็ต้องไปปฏิบัติแล้วเขาก็ไปปฏิบัติ แต่ก็ไม่แน่นะบางคนที่มาอาจจะไปปฏิบัติก็ได้เพียงแต่ว่ามาฟังเพื่อที่จะมาอามาเสริมความรู้ให้มีความหนาแน่นขึ้นให้มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางมากขึ้นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าทุกคนเป็นทัพพีไปหมดจะคนที่ฟังจะรู้เองว่าตนเองเป็นทัพทีอหรือเป็นลิ้นถ้าเอาไปปฏิบัตินี่แสดงว่าเป็นเป็นลิ้นนะ แต่ถ้าฟังแล้วก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้ออกจากที่นี้ไปก็ลืมคราวหน้าเดือนหน้ามาฟังใหม่ถ้า <laughs> อย่างนี้ก็เป็นทัพพีร <laughs> ้อยเปอร์เซ็นตอะไ้ก็ลิ้นปลอมพว <laughs> <laughs> กศรีธ น, นชัย <laughs> พบอกว่าไม่มาเล่นกันแล้วไม่มาเลยไม่มาก็ไปทำอะไรไปนั่งไปไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เอาถ้าไม่มาเพราะไปปฏิบัติเนี่ยเิ่พกนิ้นแต่ถ้าไม่มาก็ขี้เกียจอยู่บ้านดูทีวีดีกว่าพวกนี้พวกสีถนนชายอา่ามีมาไหมยยังสำถาม นี่ค่ะว่ามาต่อไปเป็นคำถามจากคุณนพลนะคะจะให้เลยนิวรต้องทำอย่างไรยิงจะถูกที่สุดครับก็ต้องแก้ไปแต่ละตัวมันมีมีวิธีแก้ต่างกันไปถ้าสงสัยก็ฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้รู้จริงเห็นจริงฟังบ่อยๆฟังแบบดิ้นกับแกงเดี๋ยวก็จะหายสงสัย อันที่สองของการฟังธรรมก็มี5ประการได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรม ท, ที่ได้ยินแล้วถ้าฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้อันเป็กรณีอ่อนตัวหนึ่งที่เกิดจากการที่เรามีข้อมูลไม่ครบบริบูรณ์จึงทําให้เราสงสัย ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆจนได้ครบข้อมูลต่างๆครบทั่วแล้วเราก็จะหายสงสัยได้งั้นถ้ามีนิวรณที่เกิดจากความสงสัยก็ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆถ้านิวรณที่เกิดจากความง่วงนอนก็ต้องเปลี่ยนที่ปฏิบัติไปปฏิบัติในป่าชา้ามันก็จะหายง่วงพอคิดถึงผีมันจะตื่นขึ้นมาทันทีถ้าไปไม่ได้ก็ต้องอดอาหารอยากกินอาหารมาก ถ้าให้มันหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วงถ้าฟุงา้งซ่านนิวณฟุ้งซ่านก็ต้องหมั่นเจริญสติพุทธโธพุธโธให้บ่อยอย่าปล่อยให้ใจคิดให้อยู่กับพุทธโธพุดโธไปถ้ามีความโกรธก็ให้แผลเมตตาให้อภัยแล้วความโกรธก็จะดับไปถ้ามีอะไรก็มีหมดแล้วเนี่ยนะ มีมีกา ร, รมฉันทะถ้าอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดืม่มก็ต้องถือศีลแปดอัดถือศีลแปดกันควบคุมบังคับใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันไปอคําถามข้อสุดท้ายนะคะคําถามจากคุณนัทวัตรเวลานั่งสมาธิแล้วจิตเริ่มสงบเพลินกับการนั่งสมาธิ แล้วเกิดอาการไม่สนใจในเสียงรอบข้างแล้วจิตมันดูที่ลมอย่างเดียวจนไม่สนใจอย่างอื่นบางครั้งทำให้เกิดอาการลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งนั่งอยู่ที่ไหนลืมแม้ลืมแม้กระทั่งนั่งสมาธิอยู่แบบนี้เรียกว่าถูกไหมครับเรียกว่าเป็นสมาธิไหมครับถูกแล้วเวลาจิตสงบจิตมันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไป แต่จิตต้องมีสติมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาถึงจะเป็นสมาธิถ้าไม่รู้สึกตัวก็จะเป็นการหลับไปเอาละนะ <c oughs> คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ